หกปอุปาทินนาทุกะสปัจญาวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจจัยสี่้สาสิสสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือทำสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและกะตัลตารูป ทำขันหนึ่งที่กรกมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองในปฏิสนธิขณะขันสามและประตตารูปทำขันหนึ่งที่กรรัมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองหาไทยวัตถุทำขันให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธรรมทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น และถึงธรรมหาภูตรูปหนึ่งกตัตรารูปที่เป็นอุปาทายรูปท ร, ร ม, มหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือทรภัทราวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือรรทำสภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูป ทำขนันธ์เที่ยงกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์เที่ยงกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมเที่ยงกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเที่ยงกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือทำสภาวธรรมเที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยได้แก่ ขันสามและจิตตาสมุทฐานรูปทำขันหนึ่งที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสองสภาวะธรรมร ท, นน ท, ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือทำสภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูป ทำขันหนึ่งเที่ยงกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสองทำมหาภูตรูปหนึ่งจิตตะสมุทฐานรูปที่เป็นอุปาทายรูปทรมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมเที่ยกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือทำสภาวะธรรมเที่ยกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเที่ยกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุกปัจจัยได้แก่ทิตตส牟ฐานรูปทำขันธ์ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและธรรมหาภูต ร, รูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์สามทำขันธ์หนึ่งที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและธรรมไ ท, าทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันธ์สองอารมณปัจจัย435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 สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือธรรมสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันธ์สามทำขันธ์หนึ่งที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและธรรมไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันธ์สองอธิปติปัจจัย สี่สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือทำสภาวธรรมท ouais. ีท่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ ทำสภาวธรรมที่กรัมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอธิปฏิปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปทำขันหนึ่งที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองทำมหาภูตรูปหนึ่งจิตตสมุทฐานรูปที่เป็นอุปาทยรูปทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น สภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือธรรมสภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยใใได้แก่ขันธ์สามธรรมขันธ์หนึ่งที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงธรรมขันธ์สองย่อ หปัจญานุโลมสองสังคยาวาระสุทไนศรี้ยาสิบเจ็หตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจใจมีสี่วา ร, อระอัปปธปติปัจจัยมีสามวาระอนันตรปัจใจมีสี่วาระสมณันตรปัจใจมีสี่วาระสหาชาตปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญปัจใจมีสี่วาระนิจยปัจจัยมีห้าวาระ ป, ปูปนิเสยปัจใจมีสี่วาระปูเรชาตปัจใจมีสี่วาระอาริวณปัจจัยมีสวาระกรรมปัจจัยมีหวาระวิปากปัจจัยมีหวาระละถึงอวิคต ป, ป, ปัจจัยมีหวาระ 2. ปัิยปัจญิยาหนึ่งวิพังขวาระนัเหตุปัจจัย438 สภาวธรรมที่กรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือทำเป็นสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะในเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามทำขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งกรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันธ์สองในปฏิสนธิขณะที่เป็นในเหตุุกะพาไทยวัตถุทำขันธ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ธรมไทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงธรรมหาภูตรูปหนึ่งประตัตารูปที่เป็นอุปาทัยรูปธรรมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสำหรับเรลาอัจนิย์ยศธพรมธรรมหาภูตารูปหนึ่งจักกุวิญญาณทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นกายวิญญาณทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ขันธ์ที่ไม่มีเหตุซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือธรรมไทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือทำสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพรนะเหตุถูปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปทำขันธ์ที่ไม่มีเหตุซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ขันธ์ที่ไม่มีเหตุซึ่งแปมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นโมหะที่สหรโคด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรโคด้วยอุทจฉาธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่กรปมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและที่แรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือธรรมสภาวธรรมที่แปมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปทำขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสองสี่ร้อยสามสิบเก้าสภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหา Below, และทิฏฐิไม่ยึดถือทำสภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหา Drama, และทิฏฐิไม่ยึดถือให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น เพราะนาเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตะสมุทานรูปทาขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งกล่ำอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทาขันสองทำมหาภูต ร, รูปหนึ่งที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานโมหะที่สหรรพด้วยวิจิกิจฉาและที่สหะคตด้วยอุทจจะ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 ซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและทํามหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสามทำขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและทําไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองโมหะที่สหรโคด้วยวิจิกิจจาและที่สหรโคด้วยอุทัจจะทำขันที่สหรโคด้วยวิจิกิจจาที่สหรโคด้วยอุทัจจะ และธรรมไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นย่อ 2. ป, ปัจจยปัจจเนยะ 2. สองคยาวาระสุทไนัยสี่ิน่เหตุถกปัจจัยมีห้าวาระนออรามณะปัจจัยมีสีวาระนะอธิปติปัจจัยมีห้าวาระนะอนันตระปัจจัยมีสี่วาระนะสมนันตระปัจจัยมีสี่วาระนะอัญญมัญญปัจจัยมีสี่วาระ นอุปาณิสีหปัจใจมีสี่วาระนาปุเรชาตปัจใจมีสี่วาระนปัจชาชาตปัจจัยมีห้าวาระนอัเสวณปัจจัยมีห้าวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปปะปัจใจมีสี่วาระนอาหารปัจจัยมีสองวาระนอินทรียปัจจัยมีสองวาระนาชานะปัจจัยมีสองวาระนมะข้ปัจจัยมีห้าวาระ ณสัมปยุตตปัจจัยมีสี่วาระณวิปยุตตะปัจจัยมีสองวาระโนนัติปัจจัยมีสวาระโนวิคตปัจจัยมีสวาระ 3. ปัจจญานุโลมปัจญียะ4ี่ร้อณอารมณปัจจัยกเพทุปัจจัยมีสวาระณอธิปติปัจจัยมี5วาระและถึงณปุเรชาตตะปัจจัยมีสี่วาระ นปัชชาตาปัจจัยมีหวาระนอเสวนาปัจจัยมีหวาระนักกรรมปัจจัยมีสวาระนวิปากปัจจัยมีสวาระละถึงณสัมปยุตตปัจจัยมี4วาระนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระโนนัตถิปัจจัยมีสวาระโนวิคตะปัจจัยมี4วาระ 4. ปัจจยปัจญญานุลมศรีรอยสี่สิบส อารมณปัจจัยกับนเหตุปัจใจมีสี่วาระอันันตระปัจใจมีสี่วาระละถึงมัคคปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระนิจยวาระเหมือนกับปั จ, จยยวาระหกสิบแปดอุปาทินทุกกะห้าสังขะวาระหนึ่งปัจญานุโลมเป็นต้นสี่ร้อยสี่สิบสาม สภาวธรรมที่เกิดกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเกิดรคนกับสภาวธรรมที่เกกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเพราะเหตุตปัจจัยได้แก่ขันธ์สามเกิดรคนกับขันธ์หนึ่งที่เกิดกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและถึงเกิดรคนกับขันธ์สองในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่เกกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ เกิดรคนกัสภาวธรรมที่แกรั่มอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดรักคนกับขันหนึ่งที่ก ร, รั่มอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือละถึงเกิดรคนกับขันสองละถึงเหตุตปัจจัยมีสองวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตระปัจจัยมีสองวาระ สมณันตระปัจจัยมีสองวาระสหชาตะปัจจัยมีสองวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระนิจยปัจจัยมีสองวาระอุปนิจยปัจจัยมีสองวาระปุเรชาตระปัจจัยมีสองวาระอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระ อนุโลมจบ444สภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเกิดรคนกับสภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเพราะนเหตุตุปัจได้แก่ขันสามเกิดรคนกับขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและถึงเกิดรคนกับขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุตกกะ สภาวะธรรมทีปป่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเกิดรคนกับสภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเพราะน่เหตุปัจจ <c oughs> ัยได้แก่ขันสามเกิดระคนกับขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือละถึงเกิดระคนกับขันสองโมหะที่โสหรโคด้วยวิจิกิจฉาและ persuade. ที่โสหโรโควยอุทัจฉา เกิดราคนกับขันธ์ที่โสหรโคตด้วยวิจิกิจฉาและที่โสหรคดด้วยอุทจฉาณเหตุปัจจัยมีสองวาระณอธิปติปัจจัยมีสองวาระณปุเรชาตะปัจจัยมีสองวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยมีสองวาระณอเสวะณะปัจจัยมีสองวาระนกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระณชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระ ณมัค่าปัจจัยมีสองวาระณวิพยุตตะปัจจัยมีสองวาระปัจจนนยะจบการนับสองอย่างนอกนี้และสัมบยุตตะวาระพึงทำอย่างนี้หกสิแปดอุปาทินนาทุกกะ เปัญหาวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจจัย4ี่สหสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแก่สัมปยุจฉันโดยเหตุปัจจัย ในปฏิสนธิขณะเหตุจจที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันและกตัตารูปโดยเหตุถูปัจจัยสภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือโดยเหตุถูปัจจัยได้แก่เหตุที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ เป็นปัจจัยแก่จิตแต่สมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่กรมมรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมทีม่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแก่สัมยุทธขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือโดยเหตุถูกปัจจัยได้แก่เหตุที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขัน์และจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยอารมณปัจจัย446 สภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือโดยอารมณ์ปัจจัยได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุขกายและรูปเที่ยงกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือกลิ่นรสโผฏภะอาถรรพ์วัตถุและขันเที่ยงกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมณ์จึงเกิดขึ้น เมื่อชาวณจิตที่เป็นกุศลและอกุศลดับแล้วจิตุบา ท, ที่เป็นวิปลาจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตทารมิโรบายตนะที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแก่จักผูวิญญาณคันทายตนะที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแก่คานวิญญาณโพธายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยอา ร, รมณปัจจัย สภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือโดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุกายและรูปที่ยกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือกลิ่นรสโผฏภะหาไทยวัตถุและขันเที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมณะจึงเกิดขึ้น บุคคลเห็นรูปเที่ยกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือด้วยทิปจักขุรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือด้วยเจโตปริยญาณขันธที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจเจก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณอนาคตกตัญญาณและอวัชนะจิตโดยอารมณปัจจัย 4รรีรรจจ่สภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือโดยอา ร, รมะมะนปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีล์รักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศล น, นั้นยินดีเพลิดเพลินเพนราะปรารุความยินดีเพลิดเพลินกุศล น, นั้นราคะโทมะนะจึงเกิดขึ้น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 บุคคลเห็นแจ้งรูปเที่กกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและถึงเสียงโพธะะและขันเที่กกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทงมณจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปเที่กกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือด้วยที่ประจักษ์ขูฟังเสียงด้วยที่ประสงทาธาต์รู้จิตของบุคคลผู้มีความร่งพร้อม ด้วยจิตที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือด้วยเจโตปริยยานอากาสารัญจายตนะเป็นปัจจัยแข่วิญญาณัญจายตนะอากินัญญาัตนะเป็นปัจจัยแข่เนวสัญญาณสัญญาัตนะขันธที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นปัจจัยแข่อิทธิวิทยานเจโตปริยยาณปุเพนิวาสานุสติยานยะากรมูปัคขยาน อนาคตังจยานและอวชนะจิตโดยอารมณปัจจัยสภาวะธรรมที่กรลรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่กรลมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือโดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลเห็นแจ้งรูปที่กรลมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและถึงเสียงโพธพะและขัน เท ก, กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมานะจึงเกิดขึ้นเมื่อชาวณจิตที่เป็นกุศลและอกุศลดับแล้วจิตุบาทที่เป็นวิบากจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตทารลมอากาสานัญชา ย, ยตนะกุศลเป็นปัจจัยแห่วิญญาณัญชายตนะวิบากอากินจัญญายตนะกุศลเป็นปัจจัยแห่เนวสัญญานาสัญญายตนะวิบากรูปายตนะ เทีกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นปัจจัยแก่จักรวิญญาณสถายะตนะละถึงโพธายะตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยอารมณปัจจัยอธิปติปัจจัย448สภาวะธรรมที่ยกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ยกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ โดยอธิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณนาธิปติได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุกายและรูปเที่ยงกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือกลิ่นรสโผฏฐะอาไธวัตถุและขันธ์เที่ยงกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพลิด เ, เพลินจากสุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้น สภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือโดยอธิปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณนาธิปติและจหชาตาธิปติอารมณนาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถและพิจารณากุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ยินดีเพลิดเพลินเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นบุคคลพิจารณากุศลที่เคยสังสมไว้ดีแล้วออกจากฌานพระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณาผลพิจารณานิพพานนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตระพูโวทานมรรคและผลโดยอธิปติปัจจัย บุคคลยินดีเพลิดเ th พลินรูปเที่ยกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือละถึงเสียงโพธะและขันเที่ยกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปฏิได้แก่อธิปดีธรรมเที่ยกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นปัจจัยแก่สัมปยุญญขัน์และจิตตสมุพธานรูป โดยอธิปฏิปัจจัยอนันตรปัจจัี่ยสี่สิบเก้าสภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือโดยอันันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือซึ่งเกิดก่อ น, อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือซึ่งเกิดหลัง โดยอนันตรปัจจัยปัญจวิญญาณเป็นปัจจัยแก่มโนท่าที่เป็นวิปากโดยอนันตรปัจจัยมโนท่าที่เป็นวิปากเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณท่าที่เป็นวิปากโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ พวังคจิตที่เป็นปัจจัยแก่งอวชนะจิตมโนวิญญาณธาตุที่เป็นวิปากเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุที่เป็นกริยาโดยอนันตรปัจจัย4๕๐สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือโดยอนันตระปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ ซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธิกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยขันธิกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นปัจจัยแก่วุฒานะโดยอนันตรปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภูพาละสมาบัติโดยอนันตรปัจจัยสภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือโดยอนันตาปัจจัยได้แก่อาวัจนะจิตเป็นปัจจัยแก่วิญญาณหละถึงขันธ์ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นปัจจัยแก่วุานะโดยอนัตราปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสมณอนัตตาปัจจัยเป็นปัจจัยโดยชาติชาติปัจจัยมีห้าวาระเหมือนกับปฏิจจวาระ เป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญะปัจจัยมีสองวาระเหมือนกับปฏิจจวาระเป็นปัจจัยโดยนิสยปัใจจัยเหมือนกับนิสยปัจจัยในปัจจยาวาระมีห้าวาระอุปาณิสยปัจจัย451สภาวธรรมที่กกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ โดยอุปาณิสยปัจจัยมีสองอย่างค um. ืออนันตารู ป, ปานิสยาแลปะ ป, ปกะตูปานิสยาปะกะตูปานิสยาได้แก่สุขทางกายเป็นปัจจัยแก่สุขทางกายและทุกข์ทางกายโดยอุปาณิสยปัจจัยทุกข์ทางกายละถึงอุตุเที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือโภชนะเป็นปัจจัยแก่สุขทางกายและทุกข์ทางกายโดยอุปาณิสยปัจจัย สุขทางกายทุกข์ทางกายอุตุโภชนะเป็นปัจจัยแก่สุขทางกายและทุกข์ทางกายโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวะธรรมที่กำอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่กำอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปาณิสยอนันตารูปานิสยและปักระตูปาณิสยา ประตูปานิจยะได้แก่บุคคลอาศัยสุขทางกายแล้วให้ทานละถึงทำลายสงอาศัยทุกทางกายอุตุที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือโพชนะแล้วให้ทานทำสมาบัติให้เปิดขึ้นฆ่าสัตว์ทำลายสงสุขทางกายทุกทางกายอุตุโภชนะเป็นปจัจจัยแก่ศรัทธาความปรารถนามรรค และภารสมาบัติโดยอุปาณิสยปัจจัยสี่้อยห้าสิบสองสภาวธรรมที่กรลมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออรมณูปาณิสยาพนันตารูปปาณิสยาและปกตูปาณิสยาภกระตูปาณิสยาได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วให้ทาน มีมา n ะเถื่อทิฐิอาศัยศีลความปรารถนาอุตุโภชนะเสนาสนะแล้วให้ทานละถึงทำลายสงศ์ศรัทธาความปรารถนาอุตุโภชนะเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาความปรารถนามรรคและภะละสมาบัติโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฐิไม่ยึดถือ เป็นปัจจัยแค่สภาวะธรรมที่กลมอันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิยึดถือโดยอุปนิสัยปัจจัยมีสองอย่างคือนันตุปะนิสยาและประกระตุปะนิสยาประกระตุปะนิสยาได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วทําตนให้เดือดร้อนให้ร้อนรนเศรษทุกข์มีการแสวงหาเป็นมูลอาศัยศีลความปรารถนาอุตุโภชนะเสนาสนะ แล้วทำตนให้เดือดร้อนให้ร้อนรนเวยทุกข์มีการแสวงหาเป็นมูลศัทธาละถึงเสนนสนะเป็นปัจจัยแก่สุขทางกายและทุกข์ทางกายโดยอุปิเนียปัจจัยกรรมที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นปัจจัยแก่วิบากโดยอุปาเนีเยปัจจัย